อ, อ่าปิธานหรือว่าตั้งใจว่านะจะทำความเพียรตลอดทั้งคืนนะจนถึงเวลาทำวัาเช้ า, าพรุ่งนี้คือตีสทั้งนี้เพื่อเป็นการาถวายความเพียรของเรานั้นเนี่ยให้กับหลวงพ่อในโอกาสที่ท่านาจะละ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 าราคาเป็นล้านสิบล้านหรือร้อยล้านนะถวายกับหลวงพ่อแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะทำได้นะก็คือการาถวายน้ำพักน้ำแรงหรือความภาพเพียรพยายามนะให้แก่ท่านนะซึ่งแม้ว่าจะไม่มีวัตถุพยานนะเป็นเครื่องรับรองนะแห่งความศรัทธา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 มันจะเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนกว่าที่ว่ามั่นคงยั่งยืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอพอเราจะเป็นอมตะนะไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมได้ผลดีเพียงใดนะในที่สุดพวกเราก็ต้องตายหรือว่าตามหลวงพ่อไปในที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าท ร, รมั่งเจริญงอกงามในใจเราด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามก็เชื่อแน่ว่าธรรมะนั้นเนี่ยก็จะ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 มันไม่สามารถที่จะงอกหรือเผยแผ่ไปได้แต่ว่าธรรมะที่ในใจอันที่เกิดในใจนะที่พวกเราได้ทำขึ้นมานด้วยความเพียรพยายามตามแล้วก็ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเนี่ย mm hmm. มันก็สามารถจะแพร่ ก, กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นการทาให้พระธรรมคาสอนหรือศาสนานี่ได้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 เช่นศรัทธาศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในพระบรมศาสดามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดกําลังใจเกิดความภาคเพียรพยายามและผลดีเกิดขึ้นกับใครผลเนีก็เกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะใช้หลวงพ่อนะเพื่อการพัฒนาตนทําให้กิเลสเบาบางทําให้เกิดสติและปัญญา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 และขณะเดียวกันก็เอามาเป็นแบบอย่างด้วยว่านะเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้เขาเพียงแค่ไหนฉันก็ต้องเพียงไม่น้อยกว่าเขาแล้วก็ทำความเพียนตลอดสี่ปีเนี่ยนะกลับมานอนทีไรก็เห็นหน้าเอียนคล็อเกอร์เห็นภาพเอียนคล็อเกอร์เนี่ยจะต้องเอาให้ได้เอียนคล็อเกอร์ตัวนั้นใหญ่มากนะเก่งมากและสุดท้ายในสี่ปีต่อมาเนี่ยเขาก็สามารถจะเอาชนะเอียนคล็อเกอร์ได้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 เขาไหว้ทุกวันทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งได้ได้เหรียญทองเหรียญแรกนะพราะเอาช น, นะเอียนคร็อกเกอร์ได้แล้วก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะทาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งทําลายสถิติหลายอย่างอ่าผ่านมาโอลิมปิกมาสี่ครั้งแล้วเนี่ยนะได้เหรียญทองอย่างน้อยก็ห้าห้าเหรียญทุกครั้งนะ สีปีที่เราได้ถึงแปดเหรียญทำลายสถิติโลกที่เคยมีคนทำไปเจ็ดเหรียญแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเข้ามาแพ้เด็กคนหนึ่งนะเป็นชาวสิงคโปร์ชื่อโจเซฟสคูลิงให้โจเซฟเนี่ยนะเอาเอาไมเคิลเฟฟเนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นไอดอลจะลืกลึกถึงจะใช้ไอโจเซฟเนี่ยจะใช้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 นักภาษาแลวกับนักปฏิบัติธรรมซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะใจกรรมธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสู่สำเร็จได้ด้วยใจนี่เราก็สวดกันปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งนะแต่พอเวลาจะทำความเพียร น, นี่ใจไม่เอาลใจไม่สู้นะบอกว่าร่างกายไม่ไหวนะฉันแก่แล้วนะหรือว่าฉันไม่เคยอดนอนนะอันนี้มันก็น่าายหน้านะนักกีฬาซึ่งในเรื่องกายเนี่ย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 รู้ใจนะเวลามันมีความอ่อนแอเกิดขึ้นเวลามีความทอดแท้นะไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนะเราก็อย่าปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจก็ถือว่าอลองดูสินะและที่จริงเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่ทําความเพียรวันนี้เนี่ยคืนนี้นะนนะแล้วเราจะทําตอนไหนนะเพราะว่าทําในโอกาสนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยเยอะนะปากกาล่าคือไม่ได้ทําคนเดียวนะไม่ได้ทําคนเดียว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 ความตั้งใจมากขึ้นอย่างน้อยๆ น, นี่เราก็จะไม่ไม่ยอมแพ้ใครนะเขาก็มีมือเราก็มีมือมีเท้านะแถมกำลังวังชาดีเขาสิกนะจะยอมแพ้เขาได้ยังไงอันนี้ก็เียว่าเอาตัวมาหน้าเป็นตัวกระตุ้นนะประการที่สองคือโอกาสนะโอกาสโอกาสที่หลวงพ่อท่านได้มีได้รัสังขารครบสองปีนะมันก็เป็นโอกาส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 ให้กับเมียและลูกไม่ได้นะก็ต้องรอเวลาถึง4ปีจนกว่าศาลจะแสงว่าเป็นบุคคลสูญหายนะเมียถึงจะได้รับ เ, เงินประกันชีวิตก้อนใหญ่ก็เลยห่วงว่าเนี่ยถ้าตัวเองตายตรงนี้เนี่ยเมียจะเดือดร้อนนะก็เลยบังเอิญเห็นข้างหน้าเนี่ยประมาณร้อเมตรเนี่ยมันมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนถนึงสูงก็ไม่สูงมากนะพอที่จะปีนขึ้นไปไปนอนตายตรงนั้นไดนะ้ถ้าไปนอนตายตรงนั้นเนี่ย เครื่องบินที่บินผ่านมาหรือว่าเครื่องบินเทียส่งมาช่วยชีวิตคงจะเห็นศพนะถ้าเจอศพก็เมียก็ได้เนื้ประกันชีวิตแล้วก็เพียรนะเดินพยายามคลานไปให้ได้ถึงจนถึงหินก้อนนั้นแต่ปกพอถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีแรงขึ้นสู้อีกครั้งกลายเป็นว่าเขาสามารถจะเดินต่อไปได้อีกร้อยกิโลนะอีกร้อยกิโลนะ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 ควรจะมีนั่นคือฝ่ายรู้สู้สิ่งยากใฝ่ายรู้ฝ่ายรู้คือว่าใศึกษานะที่ตั้งพูดอยู่เพราะเด็กไทยเนี่ยใฝ่เสพใฝ่ายเสพเรียนหนังสือก็ไม่ได้คิดจะอยากจะรู้อะไรคิดแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวหรืออย่าง่างนี้ก็อยากได้รางวัลอยากได้คะแนนไม่มีความฝ่ายรู้ทำอะไรก็ทําแบบลูกๆขอไปทีความรู้ก็ไม่มีนะ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 ศ า, าลาไก่นะไปจนถึงทำรรวัดเช้านะของวันพรุ่งนี้เลยากาับ้าพร้อมกัน